อานาปฏิวานพิสุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 11. 1. พิสุกล่าวพลัง 2. พิสุกล่าวพลาด 3. พิสุวิกลจริต 4. ภิกสุต้นบัญญัติโมสาวาทะศิขาบทที่หนึ่งจบ